งานหนังสือพุทธธรรมฉบับปรับขยายมร์ข้อที่8สัมมาสมาธิสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุตโตบทที่16ส่วนที่สององค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทาหมวดที่สมหมวดสมาธิข้อที่สสัมมาสมาธิสมาธิที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาคืออย่างไรจัดเป็นมร์ข้อสุดท้ายในทางสายกลาง อ, อริยามรรคมีองค์8เป็นส่วนประกอบสําคัญสู่การบรรลุธรรมในภาคปฏิบัติเป็นข้อที่มีรายละเอียดมากที่สุดในอริยามรรคเนะนําว่าไม่ว่าจะสนใจภาวนาสายไหนการศึกษาพุท ธ, ธรรมก่อนจะได้เข้าใจหลักสําคัญความหมายของศัพท์องค์ประกอบโครงสร้างและสิ่งที่เกี่ยวข้องได้ครอบคลุมจะทําให้ฟังคําสอนครูบาอาจารย์อื่นเข้าใจได้ดีได้ตรงมากขึ้นนะครับหัวข้อที่สําคัญความหมายระดับ ศัตรูของสมาธิลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิความมุ่งหมายประโยชน์ของสมาธิวิธีเจริญสมาธิแบบธรรมดาพาไปเองวิธีเจริญสมาธิตามหลักอิทธิบาทวิธีเจริญสมาธิโดยใช้สติเป็นตัวนําวิธีเจริญสมาธิอย่างเป็นแบบแผนโดยมีรูปแบบและขั้นตอนให้ดาเนินไปตามลาดับเช่นตัดปริโพธ การรับกรรมาฐานที่เหมาะกับจริตการเข้าประจำที่หลักทั่วไปที่ควรทราบวิธีเจริญอาณาปณสติภาวนาพุทธพจน์แสดงวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติภาคสมถะผลสูงสุดของสมาธิและสู่ความสมบูรณ์เหนือสมาธิผลสําเร็จขอบเขตความสําคัญองค์ประกอบรวมและเกื้อหนุนฐานประทัดฐานของสมาธิ เรื่องวัดความพร้อมคณนะทำงานของปัญญาองค์มัคคาสามคัคคีการเจริญสติปัฏฐานคือการอยู่ยังไม่มีความทุกข์ที่จะต้องดับคืออย่างไรเสียงานโดยอริยคุณชมรมผลดีร่วมจัดทมโดยเจ้าภาพหลักครอบครัวสินทวัตรครอบครัวอริยชาติพดุงกิตทวิติยาเคนสุโพเจ้าภาพรองครอบครัวสีโพคาครอบครัวหงอิงสุเมศคุ้มวง